ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงพระพุทธญาณได้นำเสนอเรื่องเมตตาบารมีสื่อต่อกันมาโดยลำดับ mm hmm. เห็นว่ามีความแจ้มแจ้งชัดเจนพอสมควรเพราะว่ากระบวนการของธรรมะที่เริ่มต้นด้วยเมตตาแล้วก็ถือว่าเป็นเรือนใจเป็นหลักใจ รวมถึงเป็นบารมีนั้นจะต้องมีปริมาณแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตยามที่คนซึ่งตนเมตตาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็เปลี่ยนเป็นกรุณาประสบความเจริญก้าวหน้าก็เปลี่ยนเป็นมุติตาประสบผลกรรมทั้งด้านบวกด้านลบก็ทําใจเป็นอุเบกขาคือไม่แสดงอาการ ยินดีหรือยินไรายไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะเป็นเรื่องนอกวิสัยดังนั้นวันนี้ก็จะพูดเรื่องอุเบกขาบารมีซึ่งลำดับการเรียงในชิดหนึ่งนะฮะก็ต้องถือว่าในชิดหนึ่งจะเรียงไว้ในตอนสุดท้ายในทศชาติเป็นการกล่าวถึงท่านโรมนาตฤษี ก็พูดระดับอุเบกขาฌานแต่ว่าแท้จริงแล้วอุเบกขาบา ร, รมีนั้นเมื่อเรากราวโดยเนื้อหาสาระในภาคสนามจริงๆท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วใช่ท่านจงสมาทานอุเบกขาบา ร, รมีท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจราชูแล้ว จักบรรลุพระโพธิญาณได้ธรรมดาว่าแผ่นดินจมวางเฉยต่อสิ่งเดียวก็ทิ้งลงทั้งที่สะอาดทั้งที่ไม่สะอาดทั้งสองอย่างเว้นจากความยินดียินร้ายชันใดท่านจงเป็นผู้มั่งมั่นคงดุดตราชูในสุขในทุก์ในการทุกเมื่อบำเป็นอุเบกขาบา ร, รมีแล้วก็จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉะนั้น นี่คือกรอบที่ท่านแสดงลักษณะของอุเบกขาเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะกระจายออกไปได้โดยนัยาปเป็นเ่นเิคบางครับบางคราวเราก็พบมีการจำแนกอุบเบกขาออกไปถึงสิบลักษณะด้วยกันเนื่องจากเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมาก แล้วก็ยากต่อการจะประพฤติปฏิบัติมีหลายครั้งที่อาตมาได้รับอาราธนาไปบรรยายอบรมปุ้ยภาษาบางครั้งก็เป็นหลักสูตรคือว่ากันหลายวันแต่ประเด็นหลักที่นํามาเสนอก็คือเรื่องอคติกับการอุเบกขาท่านครั้งที่เคยอ่านเรื่องรามเกียรติ คงจะนึกถึงท่านผู้หนึ่งที่ดำรงธรรมจนกลายเป็นหลักที่มีการกล่าวขวัญถึงแล้วก็ยึดเหนี่ยวกันนั่นก็คือทามารีวราชในสมัยเป็นเด็กก็เรียนตอนทามารีวราตว่าความมันเลสะท้อนภาพอะไรไว้ให้ตรงนั้ น, น, น, ลนเลยเยอะเลยก็จะเห็นว่าโดยพื้นฐา น, ฐานจิตปกติ ที่มนุษย์เขาพึงมีพึงเป็นกันเนี่ยจะมีความรู้สึกผูกพันกับคนที่ใกล้ชิดกระตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใกล้ชิดทางสายเลือดไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนอะไรก็ตามตามปกติแล้วจิตใจก็จะแปรผันด้วยอำนาจอาคติโดยความรัก เวรตามปกติแล้วแม้ในการพูดความจริงซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในสัจจะบารมีเราก็จะเห็นว่าถ้าการพูดถึงความจริงของคนที่เราชอบกว่าเราชังนั้นมันจะเอาอารมณ์ใส่เข้าไปก็อเอาความรู้สึกส่วนตัวที่ใส่เข้าไปในข้อความที่เราพูด เช่นเวลาพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบไอโทสศักติมันก็เกิดแถมโมหากติก็ไปด้วยแล้วก็แถมพยาคติก็ไปด้วยก็จะพูดแต่น้อยเพราะอะไรเพราะว่ากลัวเขาจะโดดเด่นเขาจะเป็นที่ยอมรับยกย่องแล้วก็จะเหนือตนเองอันเป็นอาการของพยาคติ แต่ในขณะเดียวกันแรงปรักดันที่ให้พูดอย่างนั้นก็พระความไม่ชอบกลายเป็นโทสากติและบุคคลเหล่านั้นก็หลงสถานะ ต, ตัวเองคือมีหน้าที่รายงานทางการกระทาไม่ใช่มีหน้าที่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นเครื่องมือในการรายงานอาการลำเยียงก็ปรากฏ แต่ถ้าพูดถึงความไม่ดีของคนที่เราโกรธก็อีกแหละก็ทําความไม่ดีเพียงเล็กน้อยก็ขยายซีใหญ่โตเลยมันก็แสดงว่าเป็นการใช้อารมณ์โกรธแล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้รับโทษอันตามนี้ก็มีความผิดนก็กลัวจะไม่รับโทษหรือกลัวจะโทษจะน้อยไปเพราะฉะนั้นก็เลยกระเลงไะเต็มที่เลย และในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นความหลงเพราะตนมีหน้านะที่รายงานแต่นั้นเองรายงานก็คือความจริงเป็นยังไงก็รายงานอย่างนั้นมันก็ทําตนเหมือนกับมิเตอร์วัดอุณหภูมิคือเราจะเห็นว่ามิเตอร์นี่ที่มันวัดได้หรือถ้ามันไม่เสียแล้วก็จะลงตัวเพราะมันมไม่มีความรู้สึกรักจัง อุณหภูมิเป็นยังไงมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นแล้วรปวัดที่ไหนก็ตามอุณหภูมิระดับเดียวกันมันก็ขึ้นเท่ากันหรือว่ามาศทั้งหลายพวกไม้บรรทัดพวกไม้เม็ดพวกไม้ฟุตอะไรก็ตามเดี๋ยวเราไปวัดนั้นเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นสากลคือใครจะวางลงไปก็เท่ากันแต่ว่ามนุษย์มันมีใจมันทำใจยาก ที่จะไม่ให้เอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งแต่ด้นเวลาพูดถึงความไม่ดีของคนที่เรารักก็ไม่ดีตั้งเยอะหรัคุณนิดเดียเองกรบเกลื่อนปกปิดที่ด้านใช้่าอำความพอพูดถึงความดีความดีไม่มากเท่าไรเราขยายสิยดย้อยเลยนี่คือแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการพูดด้วยความรัก แล้วกลัวว่าลูกหลานตัวเองจะเด่นน้อยไปหรือว่ากลัวว่าความชั่วของลูกหลานจะทําให้ลูกหลานต้องตกต่ำมันก็กลายเป็นจันทากติด้วยเป็นพยาคติด้วยแล้วก็แสดงว่าเป็นโมหะคติด้วยคือหลงประเด็นแต่ว่าถ้ามารีวราชว่าความเนี่ยมันเป็นแบบในการมองสภาพปัญหาซึ่งมีคนเกี่ยวข้องอยู่สามกลุ่ม ก็เราจะเห็นว่าโดยสถานะขณะนั้นทศ ก, กันนี่เป็นหลานชายก็เป็นหลานชายกาสชิตนะฮะเพราะท่านก็มีสักเป็นพี่ของท้าวทศเทียนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระรามก็เป็นหลานของท้าวอัจฉริยะซึ่งเป็นพระสาหายแต่ก็ไกลนะฮะเป็นหลานของเพื่อนนางสีดาจะเทียบสถานะในขณะนั้นไม่ว่าจะ ให้เป็นพัญญาใครก็ตามก็ถือว่าหลานสะพายแต่ว่าบทในการพิจารณาสุดสอบของท่านเนี่ยประเด็นที่ท่านคิดขึ้นภายในใจตอนท่านเห็นหนางสีดาก็แสดงให้เห็นถึงความสวยงามต่างๆซึ่งตามปกติแล้วใจก็จะอ่อนไหวไปท่อความสวยงามตรงนั้น อย่างพระรามก็ต้องนึกถึงเทางา้าอัจฉบาลทศ ก, การนั้นเป็นหลานที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นหลานโดยสายเลือดมันมีประโยคสั้นๆที่ท่นานใช้คำว่าแต่ตัวกูผู้มีอุเบกขาฌานจึงสังหารเสียได้ไม่ใหญ่ดีเพราะอุเบกขาจึงมีกำลังในการสังหารความรู้สึกยินดียินร้าย แล้วท้ามารีวราชก็วินิจฉัยคดีในคราวนั้นก็เรียกว่าหรือลั่นนีแต่เรามองสังเกตว่าก่อนที่ปอบุญจินจะเข้ามาเผยแพร่ในเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์เป็นละครนะฮะเป็นละครโทรทัศน์เวลาใครที่พิพากษาตัดสินอะไรก็ตามยุติธรรมเราก็ยกย่องทันผู้นั้นเป็นท้ามารีวราช แล้วในการต่อมาเมื่อละครเรื่องปอบุญจินเข้ามาเผยแพร่เวลานี้ เ, เ, เราก็มักจะพูดถึงปอบุญจินซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันคือท่านไม่ได้ใช้อารมณ์อารมณ์ความรักความชังความผูกพันกันเป็นส่วนตัวรู้จักไม่รู้จักไม่ได้เกี่ยวจะจับพิภาคษาวินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีของความผิด วันการงองดูดูเบกขานี่เราจะเห็นว่าที่เรานํามาแผ่เมตตา แ, ตแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาพูดถึงเบกขาท่านก็บอกว่าสเปสัตากรรมัสกากรรมดาญาดากรรมโยนิกรรมบันรุกรรมปฏิสารณาอย่า ง, งกรรมังคฤษสานิกัญญานังวา่าปะปะกังวา่าต่สดาจะโดภวิสามิ ก็แปลว่าสาัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นบนการการวินิจฉัยตัดสินคนเวลาเกี่ยวกับการกระทําของเขานั้นเราจะมองที่การกระทําแต่มนุษย์มันก็ออก ออกไปมองที่คนไม่ได้อดไปมองคนไม่ได้พอมองคนแล้วใจก็จะลําเอียงทันทีด้านระบบต่างๆรเราเห็นว่าระบบศาลเนี่ยเป็นระบบที่ถือว่าดีที่สุดคือถ้าหากว่าศาลคนไหนตุลาการคนไหนมีความรู้สึกว่าตัวเองผูกพันกับโจทหรือจําเลยด้วยความรักหรือด้วยความชังก็ดังเขาจะไม่พิพ า, ากษาคดีเหล่านั้นเพราะกลัวการทําใจ กลัวว่าจะทำใจไม่ได้เวลาพิพากษาตัดสินมันก็ไม่ได้เอาความเป็นคนนั่งคนนี้เข้ามาแต่จะพูดถึงโจทก์กระจาเลยการกระทําของโจทก์กระจำเลยคนเราอื่นก็กลายเป็นพยานพยานโจทย์พยานจำเลยก็ว่าไปคือไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นใครแต่สนใจว่าเขาให้การอย่างไง แล้วก็นำหลักฐานทั้งสองฝ่ายนั่นเองมาสอบทานมาเคียบเคียงมาชั่งเพราะว่นแนวของของของอคติเนี่ยแนวงการงดเวนคติคือแนวของตราชูแห่งความเที่ยงธรรมความยุติธรรมมันชั่งทั้งสองด้านนะน้ำหนักทั้งสองด้านแล้วก็เสมอการก็เห็นความเป็นธรรมแยกแยะต่างๆได้ชัดเจน วความรู้สึกเหล่านี้ที่ท่านอุปมาไว้ว่ามันทำตนเหมือนกับอะไรก็ได้นะดินก็ได้น้ำก็ได้ลมก็ได้แล้วก็แม้แต่ไฟก็ได้โดยตามปกติแนวการทำใจเนี่ยท่านจะใช้ธาตุซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี่แหละดินน้ำลมไฟอากาศมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนแต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าธาตุเหล่านั้นไม่มีจิต แต่ว่าบางครั้งเราต้องทำจิตเราให้เหมือนกับธาตุนะฮะธาตุธาตุคือไม่ยินดีไม่ยินรดยจะถามว่าเราทำได้ไหมที่จริงเราทำได้ทุกวันทำอยู่แล้วทุกวันนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้สังเกตว่าเนี่ยคือการทาจิตอย่างนี้เช่นอะไรเช่นว่าเด็กข้างบ้านทะเลาะ ก, กันบ่อย ก็ได้ยินเธอเธอทะเลาะกันมาบ่ก็เฉยๆยคือไม่รู้สึกยินดียินได้อะไรอยู่ข้างบ้านมีสุนัขฟัดกันเอาหอนกันดังลั่นเราเฉยเยไม่ยินดียินได้อะไรคือในขณะที่มีคนไปดันมากฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธน้ำท่วมก็โกรธเนี่ยก็ด่าหมดเลย อย่างที่โบราณท้าพูดฝนตกก็แช่ง้นแรงก็ดา่ามนุษย์ขี้เหม็นเขี้ยวเข็นเทวดาเนี่ยแต่เราเข้าใจนะเราเข้าใจเป็นธรรมชาติเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หาประโยชน์จากฝนตกจากแดดออกจากน้ำท่วมจากน้ำหลากได้นั่นก็แสดงถึงการมีปัญญาในการมองปัญหาเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันแล้วก็หาประโยชน์ได้ ในที่นี้ดานอุปมาเหมือนกระดินแผ่นดินเด่นใจว่าแผ่นดินเนี่ยใครจะทิ้งของศกปลกลงไปเอาด อ, อกไม้บูชาไปวางอย่างดีก็ตามหรือแม้จะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลงไปหรือแม้จะ ต, ตอกเข็มลึกลงไปมหาศาลคือยังนึกไปเห็นก็ตอกเข็มแผ่นดินลึกๆแล้วบอกมนุษย์นี่แม่มันกระทำย่ำยีต่อแม่รไโธรณีมากเลยแก ไอ้น้ำใต้ดินจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้กันนะฮะแต่ว่าดินนั้นก็ไม่ยินดีไม่ยินไรก็แปลว่าธรณีคือผู้ส่งไว้หมายความว่าคนชั่วคนดีก็ตามนะฮะธรณีเขาก็รักษาไว้เก็ส่งไว้เป็นไว้แต่มันชั่วสุดๆอย่างในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่พูดถึงคนที่ถูกธรณีสูบไปห้าคนคนสมัยนี้เขาไม่เคยเชื่อนะว่าธรณีสูบอย่างนั้นได้ โดยเขาไม่ได้มองว่าบาปกรรมขนาดนั้นเนี่ยไม่มีมนุษย์ที่ไหนก็ทํานอกจากพวกฆ่าคนนั้นยิ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอทําบาปกรรมขนาดนั้นเพราะในการถูกโทรณีสูบจึงจึงไม่ค่อยได้ยินกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ข่าวว่าคนที่ถูกโทรณีสูบไปเยอะทีทีแต่เราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคนหลนั้นว่าเขาเป็นยังไงแต่ใ น, นหลักพระพุทธศาสนา การที่ถูกตอรณิสูบมีจริงแต่ต้องบาปสาหัสมากแล้วก็ต้องไปกระทำต่อพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อทำมาคนอื่นไม่ถึงก็ถูกตรนิสูบแต่ก็าสาหัสซักกันก็อาจจะถึงอนันตรกกรรมนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ถึงตอรณิสูบคือไม่แรงมากแล้โธรณีท่านก็ไม่ยินดียิ น, ยนรายอะไร ก็เช่นเดียวกับลมที่มันพัดผ่านสิ่งสกปรกหรือว่าสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่หอมหวนเรจะเหนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ติดไปกับลมมันพัดผ่านแล้วก็พัดผ่านไปเลยเพราะในกลิ่นเนี่ยมันจะตามไปได้ระยะหนึ่งทั้งหอมทั้งเหม็นนะฮะจะตามไปได้ระยะหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็จะสลัดหายไป จิตใจของบุคคลเราบางครั้งก็อาจจะเปรียบหรุ่มคือเกิดมีความรู้สึกยินดียินรายวูบหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปก็ขึ้นอยู่กับคิดอย่างไงสร้างเขาเถอะเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปควายใครเข้าข้อคอนนั้นอะไรแต่อไรก็แล้วแต่จะคิดนะฮะเราเห็นว่ามันอาจจะวูบหนึ่งเกิดยินดียินรายหรือเกิดกลัว แตเสร็จแล้วก็จางหายไปคราวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสภาพจิตของมนุษย์ทั้งบวกทั้งลบนะว่าเหมือ น, นกัรอยขีดเช้นยกตัวอย่างทางทางลบคือคนโกรธความโกรธของคนบางคนเนี่ยเหมือนรอยขีดในดานมันก็โกรธนั่นแหละมันมีรอยขีดนั่นแหละแต่วูบแล้วมันหายไปเลยมันก็เหมือนกับลมพัดผ่าน ของหอมของเหม็นนะฮะมันก็ติดลมไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปอีกแนวหนึ่งเหมือนรอยขีดในดินมันจะอยู่ได้ระยะหนึ่งจำนวาคนโกรธเนี่ยมันก็เก็บความโกรธไว้ได้ระยะหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งก็ลืมหายเราจึงไม่เรียกตรงนี้ว่าความอาฆาตความพยาบาทแต่เราเรียกว่าผู้โกรธอุปนาหะบาลีเรียกว่าอุปนาหะเป็นอุปกิเลสคือผู้โกรธไว แต่บางครั้งมันไม่ถึงก็ปปุกมันเป็นปฏิฆะคือรําคารกุกุจจะคือหุดหงิดงุ่นง่านเ ร, รารติความไม่ยินดีแล้วก็หายไปแต่บางคนจะเหมือนกับรอยขีดในหินมันเป็นตราตรึงอยู่ตลอดระยะเวลาเลยอาคาปยาบาทจงล่างจงพรานกันจนคนที่เขาโกรธนั้นลืมไปแล้ว รายนั้นยังโกรธอยู่ในขณะดเดียวกันเนี่ยเราอาจจะพูดในแนวบวกก็ได้นะละนักษณะอย่างนี้คือพูดในแนวบวกก็ได้เช่นว่าสมมติว่าคนฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือหรือว่าเรียนหนังสืออะไรก็ไดมน ะ, ะบางทีเหมือนก็รอยขีดในดินในน้ำนะฮะฟังผ่านหูแล้วก็รู้เรื่องแล้วก็ลืมเลย อีกแนวหนึ่งเหมือนรอยขีดในดินคือฟังผ่านหูรู้เรื่องแล้วก็จำได้ระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็ลืมแต่คนกลุ่หนึ่งนั้นก็จำได้นานนะมันํำนองใล้ใกลกับรอยขีดในหินเพราะลักษณะของจิตที่รับอารมณ์เนี่ยคือบางครั้งในเราอุปมาด้วยอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าคุณภาพจิตเรามันไม่ถึงขนาดนั้น เป็นการอุปมาจิตของพระอาหารหันต์เวลากระทบอารมณ์ใน่พระอาหารหันต์ที่จริงก็เหมือนกันนะเหมือนกับเราถูกมินทายกย่องสั่นเรินประสบความสุขความทุกข์แต่ว่าท่านไม่มีทั้งยินดียินร้ายมันเหมือนกระยดน้ำที่ตกลงไปบนใบบัวแล้วก็กลิ้งหายไปถ้าทำใจได้ขนาดนั้นในบางกรณีนะเราทำได้ แห้เราสังเกตว่าเจ่ว่าเราไปในที่ใดที่หนึ่งมีการจำหน่ายของเล่นเด็กเรื่องตุ๊กตาอะไรๆเยอะไปหมดเลยไม่มีทางความยินดียินร้ายก็แสดงวางเฉยได้ในขณะที่คนแห่กันไปมงดูเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจที่จะมงดูดันสภาพจิตตรงนี้ที่จริงลงมีอยู่โดยธรรมชาติให้เราสังเกตนะ ว, ว่าบางทีเราเดินผ่านคนคนหนึ่งเนี่ย เราไม่มีทั้งความยินดียินร้ายทาไปทำมาเชื่ออะไรไม่ยังไม่รู้เลยแสดแรงไวจิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วอุเบกขาเนี่ยคือทาใจไม่ให้ยินดียินร้ายเป็นอัปยากตะธรรมนะคือกลางๆไปก่อนแต่ว่าในที่นี้เป็นเรื่องการฝึกปลือจิตใจสังคมที่มันบุ้นเนี่ยคือว่าคนไปอุเบกขาไม่เป็น อุเบกขาไม่เป็นมันก็กลายเป็นเข้าไปแทรกแซงในเรื่องต่างๆแทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกรรมผมไม่เป็นไปตามกระบวนการของกรรมแล้วมันก็ยุ่งนะฮะโดยเช่นว่าไปถึงจุดหนึ่งถูกเป็นผิผ ด, ผ ด, ผ ด, ผดผิดเป็นถูกเลยไม่ว่าคือถูกคือผิดเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไม่มีอุเบกขา ม, มันเกิดใช้ความรักความชังหรือใช้อารมณ์ ใช้ลมตัวเองแล้วก็สัส้นๆซัก ๆ, ๆไปเรื่อยๆในสุดมันก็เอียงพอเอียงก็ตกไปในอากาิข้อใดข้อหนึ่งาะาเบขาอุเบขานั้นจึงต้องมีพลานุภาพมากพอที่จะสยบความรู้สึกซึ่งเป็นอากาิไม่ว่าข้อใดก็ตาม ว เ, เวขาจึงเป็นบารมีที่จะต้องทำความเข้าใจมากนะฮะคือตามปกติแล้วก็ไม่อยากพูดรเรื่องมัญญาวคาเนี่ยแต่ว่าในโอกาสนี้คงจะพูดไปตามลำดับแล้ก็อยากจะให้มองในแง่มุมต่างๆว่ากระบวนการของกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับหมายความมาถ้าจะ ให้สิ้นกระแสะกรรมหรือว่าสะดอกเคราะเนี่ยคืออย่าทำบาปเท่านั้นถ้าทำบาปไปแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามทำจะต้องรับผลมากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือตามต้องคนรเกเขศต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มรพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี